จิตหดหูแก้อย่างไรบทความโดยดังตรินจะทําโดยธนพลชัยวานิชกุณมักเป็นคนมีจิตใจหดหูรู้ทั้งรู้ว่าไม่เป็นมงคลกับชีวิตควรจะแก้อย่างไรดีตัวคุณคืออะไรลองตัดชื่อแท่ตัดตัวตนตัดวิธีคิด รวมทั้งตัดเหตุการณ์ทั้งหลายที่รายล้อมคุณออกไปให้หมดเหลือแต่เพียงสภาพจิตอย่างเดียวจะพบความจริงประการหนึ่งนะครับนั่นคือจิตเรามีเบิกบานมีหดหูสลับกันได้เรื่อยๆไม่จําเป็นต้องมีเหตุร้ายแรงให้เศร้าใจมากมายแค่เหนื่อยๆหน่อยนั่งรถมือมองออกไปนอกหน้าต่างจิตใจก็มีสิทธิ์หดหูลงได้แล้ว ประเด็นคือแต่ละคนมีอาการลาดลงต่ําของจิตใจผิดแปลกแตกต่างกันบางคนหดหู่เดี๋ยวเดียวก็กลับรเริงร่าได้ใหม่แต่บางคนหดหู่แล้วกลายเป็นเรื่องยาวแม้ค้าขายกว๋วยเตี๋ยวเคยยิ้มให้แล้วมาไม่ยิ้มสักทีหนึ่งก็คิดมากแช่อยู่กับความเสียใจว่าเขาไม่ยิ้มให้อย่างนี้ก็มีและมีอยู่มาก เพียงแต่ไม่ค่อยเล่าสู่กันฟังเพราะเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือบางทีตัวเองก็เห็นเป็นเรื่องที่ประติวเสีจนจำไม่ได้ว่าเริ่มหดหูตั้งแต่เจอภาพเสียงชนิดใดกระทบกระทั่งจิตใจเราถึงมักได้ยินคนบน่นเปลยให้เพื่อนฟังทํานองไม่รู้เป็นอะไรเซ็งเบื่อไม่มีสาเหตุความหดหูต่อเนื่องยืดยาวจนจาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้นี่ะ ทำให้คนเบื่อหน่ายกับการมีชีวิตและคิดสั้นมานักต่อนักลองมาดูอุปนิสัยที่เราเราทำกับใจตัวเองแล้วหดหูเก่งกันดีกว่าข้อที่หนึ่งชอบมือประเภทว่างเป็นไม่ได้ชอบทอดตาไกลๆจะฝันก็ไม่ฝันจะคิดธุระ ป, ป่า ป, ปางให้เป็นเรื่องเป็นราวก็ไม่คิดชอบรู้สึกอยู่เรื่อยๆว่าชีวิตว่างเปล่าไม่มีความหมาย แล้วก็ไม่อยากเติมค่าอะไรลงไปให้ชีวิตตัวเองเต็มถ้าเป็นแบบนี้ก็ขอให้ดูบรรดาสัตว์เลี้ยงใกล้ตัวลองนั่งสังเกตพวกมันสักพักจะเห็นชีวิตว่างเปล่าขนาดแท้พวกนั้นไม่มีอะไรทำจริงๆครับวันๆมีหน้าที่เคลื่อนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งพอเห็นความเหม่อลอยของพวกมันด้วยความหนกว่าไม่มีวันพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้อย่างที่เราสามารถทา ก็อาจเกิดกำลังใจคิดอยากทำชีวิตให้ดีกว่าพวกมันอันนี้ถ้าลองทำดูจะเห็นว่าเกิดพลังกระตุ้นที่ดีมากไม่ใช่จะให้ดูถูกตัวเองเปรียบเทียบตัวเองเท่ากับสิ่งมีชีวิตที่ต่ำกว่าเราหรอกนะครับแต่การเห็นเพื่อนต่างพบต่างภูมิที่เขาเคราะห์ร้ายไม่มีวาสนาเท่าเราจะค่อยๆทำให้เริ่มเห็นค่าศักยภาพความเป็นมนุษย์ขึ้นมาราไร ข้อที่สองชอบจมอยู่กับอดีตประเภทเหตุการณ์ผ่านมา20ปียังอุตสาขุดขึ้นมาคิดเสียดายคุยขึ้นมาพูดดาา่าสาดให้คนใกล้ชิดรู้สึกผิดคนแบบนี้เท่าที่ผมเห็นนะครับนอกจากจะเม่อลอยหดหูบ่อยแล้วยังเจ้าโทสะเหมือนมีไฟกลุ่นอยู่ในอกหรือลุกเป็นเปลวขึ้นมาจากกระหม่อมทีเดียวและมีความจริงอยู่อย่างหนึ่ง คนชอบฝังใจอยู่กับอดีตนั้นมักบนหาถึงอนาคตที่ไม่มีวันมาถึงคือชอบหวังอะไรรวมๆแ้งๆสมมุติอะไรที่เกินตัวและเป็นไปไม่ได้จริงเสมอพูดให้เห็นภาพง่ายๆและรวดเร็วที่สุดคือทั้งชีวิตไม่เคยมีวันนี้มีแต่เมื่อวานกับพรุ่งนี้เท่านั้นหากยอมรับว่าเป็นคนประเภทที่ว่านี้ ก็ขอให้เร่งแก้ไขนิดหนึ่งพูดกันตรงๆตามชื่อหนังสือนะครับจิตแบบนี้ถ้าตายไปก็ไม่พ้นต้องเป็นเปรตจำพวกที่นึกว่าตัวเองยังไม่ตายเนื่องจากจิตวิญญาณเต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นเหนียวแน่นและบดบังไม่ให้เห็นอะไรที่เป็นปัจจุบันเอาเลยเคยคิดเคยกลุ่มเคยพูดซ้ำๆซากๆอย่างไรตายไปก็จะคิดจะกลุ่ม จะบ่นเพอ้อซ้ำซ้ำซากๆอย่างนั้นร่ำไปแต่ขณะยังมีชีวิตอยู่นี่พอปรับปรุงแก้ไขได้ก็ปรับปรุงเสถิดหัดคิดเรื่องวันนี้หัดพูดถึงสาวราประโยชน์เฉพาะหน้าพอจะหวนกลับไปคิดมากเรื่องเก่าๆก็กลับมาอยู่ตรงหน้าใหม่ทำตัวไม่ให้ว่างแล้วจะพบว่าเกิดความจมกระจ่างทางใจมากขึ้นเรื่อยๆ อารมณ์หดหูไม่กลับมาครอบงมอีกง่ายๆข้อที่สชอบมองโลกในทางลบประเภทเห็นข่าวดาวราเตียงหักก็มานั่งวิตกว่าเหตุแบบเดียวกันอาจจะเกิดขึ้นกับเราบ้างหรือไม่ก็เอาแต่นั่งอา่านนั่งขนหัวลุกอยู่ทั้งวันเกี่ยวกับเรื่องโลกแตกกลัวสงครามโลกครั้งใหม่ประทุ กลัวน้ำมันจะแพงจนต้องกลับไปขี่มา้ากลัวต่อไปเชื้อโรคจะหอบมาตามลมหรือแฝงตัวอยู่กับอาหารการกินอันที่จริงก็ต้องเห็นใจคนยุคเราเหมือนกันเพราะเรื่องดีๆแม้ยังมีอยู่มากก็ไม่เป็นข่าวแต่จะเป็นข่าวก็เฉพาะจำพวกเรื่องที่ทำให้หมดกําลังใจจะอยู่ต่อถ้ารู้ตัวว่าบริโภคข่าวด้านลบมากๆแล้วติดค้างคาใจ ไพลไปทึกทักว่าเรื่องร้ายๆจะต้องเกิดขึ้นกับเราด้วยก็ขอแนะนำให้อ่านหนังสือพิมพ์หรือดูข่าวโทรทัศน์ให้น้อยลงถ้าจะอ่านหรือดูก็คัดคัดเลือกเลือกหน่อยไม่ใช่ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องอ่านมันทุกข่าวหรือติดตามข่าวร้ายเป็นซีรีส์กันทุกวันจากนั้นหันไปอ่านหรือหันไปดูข่าวที่เป็นมงคลเสบ้างมองตามจริงบ้างว่า แง่ดีในโลกนี้ยังมีให้มองอีกมากพอเริ่มมองโลกภายนอกในทางบวกก็จะค่อยๆหันมาเริ่มมองโลกภายในไม่เป็นลบตามไปกันเองเพื่อตัดเหตุแห่งความหดหู่ลงไปได้อีกข้อข้อที่สี่ชอบความเหงาเศร้าโดยไม่รู้สึกตัวประเภทนั่งคนเดียวเฉ ย, เฉย และน้ำตาพานจะไหลเป็นทางเหมือนไม่มีสาเหตุหรือฟังเพลงเพื่อคนอกหักแล้วร้องไห้เป็นวักเป็นเวนขณะเดียวกันก็พอใจกับห่วงภาวะเช่นนั้นโดยไม่อยากแก้ไขดัดแปลงถ้ารู้ตัวว่าเป็นประเภทนี้ก็ขอให้สังเกตว่ามีแนวโน้มจะสงสารตัวเองไม่พบใครที่จริงใจด้วยหรือถึงพบก็ไม่รู้สึกว่าใช่ ไม่อาจาให้ความอบอุ่นกับเราได้ลองดูดีๆจะพบว่าความเหงามีสองประเภทคือเหงาและหอยหาความอบอุ่นแบบชะคาใจตายกับเหงาและมีความสุขแบบสะใจแฝงอยู่ลึกๆแต่ไม่ว่าเหงาประเภทไหนก็พ่วงมาซึ่งความหดหู่เก่งเสมอและออกจะแก้ยากกว่าข้ออื่นๆสักหน่อยเนื่องจากคนเรามักเรียกร้อง ให้มีใครมาเห็นใจมาให้ความอบอุ่นโดยตัวเราเป็นผู้รับหรือผู้ตอบสนองขอให้ลองอย่างนี้ดูคือกลับคั่วสักนิดคิดเป็นผู้เริ่มเห็นใจก่อนให้ความอบอุ่นกับคนอื่นก่อนยังมีผู้ด้อโอกาสในสังคมมากมายไก่กองที่รอรับการให้ก่อนจากเราอยู่เสมอถ้าทําแค่ครั้งสองครั้งอาจจะยังไม่เห็นผลอะไร แต่ถ้าทำประจาจนเป็นกิจวัตรกระทั่งรู้สึกถึงความสว่างความอบอุ่นที่แผ่ออกมาจากจิตคิดให้ของตนเองเมื่อนั้นคุณจะไม่ปรารถนาความรักความอบอุ่นจากภายนอกที่อยู่กับเราได้แบบไม่คงเส้นคงวาหาความแน่นอนยากอีกเลยจะยึดเอารัศมีความอบอุ่นจากใจตัวเองนี่แหละเป็นที่พึ่งเที่ยงแท้ถาวร อาการเหม่อซึมหรือหดหูจะมาจากมูลเหตุใดก็ตามทีสามารถแก้ไขสภาพเฉพาะหน้าได้ง่ายที่สุดคือรู้เท่าทันว่าเงื้อมเงาความหดหูกำลังเข้าครอบงำใจเราแล้วแทนที่จะติดนิสัยยอมโดนครอบอย่างเค ย, เคยมาพอรู้สึกตัวก็หันไปทำกิจธุระอันใดอันหนึ่งทันทียิ่งถ้าเป็นธุระที่ทำให้ใจเบาใจสว่างด้วยก็ยิ่งเยี่ยม พูดง่ายๆลองมันทำบุญและอ่านหนังสือธรรมะบ่อยๆจะเห็นเองว่าความมืดย่อมทนต่อแสงสว่างไม่ได้เป็นธรรมดาความสว่างมาความมืดต้องหายไปแน่ๆครับ